บทภาชณีข้อหกรสตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสําคัญว่าสตรีผู้เป็นโจรบวชให้ต้องอบัตสังฆธิเศตเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรสตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกกดเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรสตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรบวชให้เว้นไว้แต่สตรีที่สมควรไม่ต้องอบัต ไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสำคัญว่าเป็นสตรีผู้เป็นโจรบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่สตรีผู้เป็นโจรบวชให้ไม่ต้องอาบัต